นะปิยานานะปิยตเอตรชาานิโรติอิังพุะติภิกขเวนิโรโออริยสัจจังยำยำยำยำให้มันฮะเวลาไปท่องก็ท่องง่าย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 อื่นของปุ้ยแสงฉายนี่เขาไปยานเราเคยเห็นอยู่เข้าไปไปยานพิยา ม, มานาพิยตินิรุช ม, มานานิรุษติจักขุโสตะสิว้ากายามะมโนมจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณกายะวิญญาณ พุทธะวิญญาณมะโนวิญญาณเปิยมานาปปิยติเวทะนิรุตชมานานิรุตชะติพระก็ย่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อพธะจักขุพธทธะโนเกปยะรูปังซาตรูปังโสตะ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 ท่านบอกที่ไปที่มาท่านบอกต้นต่อทั้งหมด mm hmm. อะไรเป็นเครื่องระเป็นเครื่องยินดีในโลกอ mm hmm. ยังโลเกกินจะพิกเวพิกโคยังโลเกพิยะตูปังสาตรูปั ง, ปงกินจะพิกเวพิกโค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 ก็เกิดที่ตาหูจมูกร่างกายใจเม่จะเกิดก็เกิดที่รูปเสียงกิรพรงศธัรมะธรรมารมณ์ปจจมานาปั จ, จิติกิสมานาวินีสตินิวิสมานานิวิสติภิยมานาภิยติ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 อ, อะไรนะสังขาวัตถุทานทานเข้าไปเพื่อมัดใจไว้ใจมันถูกมัดนะทานเพอให้ทานเข้าไปใครเป็นคนรับทานนะั่ะถูกมัดแล้วมัดเลยแหละทานมัดใจและเครื่องมัดใจลย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 ช่วยหยิบช่วยดึงช่วยลากช่วยถูช่วยทำสารพัดอัตจริยาปร ะ, ยประโยชน์ถูกแล้วถูกมจจัดใจแล้วถูกมจจัดใจแล้วป ร, ประโยชน์ผู้ใหญ่เอาไปใช้กับผู้น้อยผู้น้อยก็ถูกมัดใจผู้น้อยเอาไปใช้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถูกมจจัดใจมัดใจอะไรเพราะเขาป ร, ประโยชน์ด้วย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 ถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็คือภิยญามานาภิยตินิรุชมานานนรุชติและปล่อยวางตรงนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมและภิยามานาพิตินิรุชมานาเนรุชติแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกลเอปล่อยให้มันเกิดอุปัชมานาปัจจติ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 เป็นราทั้งหมดเอามากรรมไว้หมดทะเห็นเงินก็เออเ อ, อเป็นเงินเห็นทองเออเป็นทองรู้อยู่ว่าเป็นเงินเป็นทองรู้อยู่ว่ามีค่าแต่ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ซื้อฟื้นซื่อทือๆเมันคนเสาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่รู้หมดทะลุปรุโปร่งหมดแต่ไม่เอาดีก็ไม่เอา